ที่ช่วงนั้นปกกี้ทํามาที่เรามาพบปะจะเจอกัน รับรู้รับรู้ทางใจบ้างรับรู้ทางความคิดทางตาทางหูรับรู้ทางกายบ้างรับรู้ทางใจบ้างรับรู้ ที่ว่าเมื่อไหร่เรามีภาษากะตามเราปฏิบัติทําได้ตลอดนะเราจะเห็นสิ่งๆเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะเป็นอย่างที่มันเราปฏิบัติล่ะเราพยายาม เราได้ยินเสียงใจเรารับรู้ทางเสียงใจเรารับรู้ในใจในฟังนี่อันนั้นน่ะคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติว่าไอ้ มันเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าไอ้เข้าใจว่าเข้าใจมันเป็นยังหรือว่าเราได้ เราพยายามที่จะเห็นพยายามที่จะเห็นให้เจ้าการรับรู้ทางหูเห็นตามที่มันเป็นว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นยังไงเรียกว่า น่ะพอมีสองอย่างมีหูมีเสียงนั่นเองจึงมีสัมผัสตรงนี้น่ะมี 2 อย่างน่ะ นะผลของผัสสะให้เกิด นะ, อย 3 อย่างนะพอเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นที่จิตแล้ว เกิดขึ้นได้ใน 3 อย่างนี้แล้วนอกจากนี้เราเข้าด้วยนะว่าเจ้าตัวผัสสะเนี่ยมันมันมีต้นนะคือสเรตนะผลของมันบ้างสัญญาบ้างแล้วตัวมันเกเก 3 อย่างมีอย อายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วก็มีจิตใน 3 อย่างนี้ก็จึงเป็นปัจจัยเกิดขึ้นแล้วมันมีที่ 6 ทางแล้วตัวมันเป็นอย่างงี้แยกประมาณ แล้ววิธีการที่จะแก้ไขข้อเสียของมันมีมั้ยในวิธีการที่จะทําให้ถึงความดับไม่ เรสธรรมเหล่านี้ว่าขนาดนั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมหลักท่านฟังลองพิจารณาดู เนี่ยเราก็จะไม่มีความยึดถือกับสิ่งเราใช่ก็คือ ในใจของเราจะไม่เปื้อนกลั่วอยู่ในนั้นจะเพราะฉะนั้นของเราไม่กำหนัดลุ่มหลงโหมเมาพัวพันเกลือกกลั้ว น้ำใบบัวถูกน้ําน้ํามันจะมันไกลกันนะคือหมายความว่าถ้าเราเอาเห็นน้ํากลิ้งอยู่บนใบบัวหรือใบ นะเราก็ได้ยินอยู่ๆใจแต่มันไม่ติดกับใจนะกันอยู่เหมือนเหมือนติดกันแต่ว่ามัน น้ำน้ำนมกับน้ำน้ำนมกับน้ำผสมกันปุ๊บมันเข้ากันไปเลยนะๆนจิตของเรา แต่มันไม่โดนจิตนั่นเองนะมันไม่เกลือกกลั้วพระเจ้าใช้คํานี้ 6 7 อย่างที่บอกเราก็พอเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆทางคือมรรคเนี่ยไม่ใช่ มันจะคลายวางปล่อยวางไปได้ความกําหนัดที่เกิดขึ้นนี้นะไอ้ตรงความกําหนัดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกาวนะสมมุติว่าเราเอาน้ํากับ โอ้นั่นจึงกระนั้นเราไม่สามารถไปค้นหาแล้วมันอยู่ที่ไหนไหนเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏเลยเจ้าอวิชชาน่ะมันมีกาวเหนียว นะเพราะกามมันอยู่ที่อาหารมันไม่ได้อยู่มากามมัน กฎด้านบีบคั้นรัดรึงอยู่ด้วยตัณหานั่นเองนะมันบังคับใจเราทุกอย่างมันเค้าไปไปซ้ายนําบอกให้ไปซ้ายเราต้องไปซ้ายบอกให้ไปขวาเราต้องไปขวาบางทีมันบอกให้เรางึกๆอยู่อยู่ การที่เราเปื้อนเรียนอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยนะมันเราหลุดออกไปสลัดออกไปได้ยากมากท่านฟังลองอาจจะนึกถึง เอาขาอีกขาหน้าอีกข้างนึงเข้าไปช่วยนะมันก็ดึงไม่ออกมันติด 2 ขาเข้า 2 ขาติด 1 เนี่ยเข้าไป 1 ก็ไปไป 2 เข้าไป 3 ขาแรกให้มัน คือดอดจ๋องๆไปก็ไม่ได้นะคราวนี้ทําถูกรัดรึงอยู่ด้วยตัณหานะถูกปกปิดคราบงํา นะเราจึงต้องปฏิบัติตลอดเวลานะเรามีผัสสะเมื่อยปวดนั่นแหละ นะเห็นแต่ให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเห็นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาก็ๆอย่างเงี้ยชื่อว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติทัน แม้กระทั่งมันเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่สามารถเป็นสาระแก่นสารอะไรให้ในชีวิตของเราจะไปยึดถือได้เลยท่านฟังลองพิจารณาดูใช้เวลาที่เรามีนี่แหละน่ะทุกเวลา